ก็คือเช่นเหตุปัจจัยโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยในโลภะมูลจิตโลภะเจตสิกตัวนี้เป็นเหตุปัจจัยนัน่นแหละยกตัวอย่างก่อนนะโลภะก่อนโลภะเจตสิกเป็นเหตุปัจจัยของโลภะมูลจิตเอาให้ถามใหม่ว่าโลภะมูลจิตกับโล โลภะกับโลภามูลจิตต่างกันไหมต่างกันนะโลภามูลจิตได้แก่อะไรอ่าได้แก่ทิฏฐิกามานะอ่ตอบได้เหมือนกันแต่แต่ก็ถ้าถ้าตั้งคำถามอ ย, า อ, ยาอย่างอื่นเนี้ยตอบอย่างนี้ถูกนะอ่าแต่ถ้าถามอย่างนี้ม่เกี้ไม่ไม่ถูกโลภามูลจิตคือตัวจิตถ้าโลภะเป็นตัวเจตสิกนั้นโลภะอย่างหนึ่งเจตสิกอย่างหนึ่ง โลพาเจตสิกเป็นเหตุตุปัจจัยของจิตดวงนี้คำว่าโลพาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยคำว่าเหตุตุปัจจัยแปลว่าเป็นมูลมูลก็แปลว่ารากรากรากตัวโลพาเจตสิกนะเป็นปัจจัยให้จิตดวงนี้ในฐานะเป็นเหตุปัจจัยเป็นรากนะที่ที่เคยเขียนบ่อยๆว่าเนี้ยรากลึกเลยอ ถ้าอุปมาจิตตัวนี้เหมือนกับต้นไม้นะมีตัวโลภ้าเจตสิกเป็นรากเง่าให้พอโลภาเจตสิกโลภ้ามูลจิตเนี่ยเกิดขึ้นนะมันไม่ได้พอต้นไม้นี่มีรากมันทำให้เกิดการพูดด้วยทำให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกทั้งหมดอันนั้นเหมือนกับเป็นผลผลของโลภัที่เด่งบานออกมาในรกเป็นออกดอกออกผลแต่โลภ้าเจตสิกเป็นสังคตะธรรม เป็นธรรมะที่ปรุงแต่งให้โลภะมูลจิตตั้งขึ้นเกิดขึ้นและนี่ น, นี่หนึ่งตัวอย่างนะยังมีอย่างอื่นอีกเช่นโลภะโลภะแปลว่าอะไรเ พ, เพลิดเพลินในอารมณ์นะยึดติดในอารมณ์ติดในอะไรอะโลภะติดในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์โลภายึดถือในอะไรสิ่งนั้นแหละเรียกว่าอารมณ์ เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของโลภะเป็เช่นสีใช่ไหมสีสวยๆที่โลภะชอบนั่นแหละท่านโลภะมีสีก็ได้มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโภทพอารมณ์อันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยแกโลภะโถ้าไม่มีอารมณ์เนี่ยโลภะไม่เกิดนะโลภะเนี่ยต้องอาศัยวัตถุด้วยใช่ั้มอ่าวัตถุเกิด และโลภะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีจิตดวงก่อนๆเนี่ยเป็นปัจจัยนั่นแหละมีจิตดวงก่อนๆเป็นปัจจัยเั้นกว่าโลภะจะเกิดขึ้นเนี่ยถูกปัจจัยปรุงแต่งเท่าไหร่เยอะนะเด็ยังไม่พอนะในนี้มีเจตสิกประกอบมีตั้งหลายอย่างอย่างน้อยน้อยที่สุดเลยปัจจัยที่ทำให้โลภะมูลจิตเกิดนะหนึ่งภาษาสองเวทนาสามสัญญา สเจตนา5เอกคตาหชีวิตอินทรีมนฑสิการถ้าไม่มีเจตสิกเหล่านี้โลภะจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกเหล่านี้เกิดขึ้นได้และอีกอย่างหนึ่งปัจจัยที่สําคัญของโลภะที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือทาไมจึงมีโลภะอ่าสํานวนพระสูตรบ้างสุภาษณ์เพราะ โยนิโสมนนสีการใช่ไหมเพราะเราวางใจเอาไว้ไม่ถูกปัใจจัยไกลอีกปัจจัยหนึ่งต้องเขียนบรรยากาศให้ได้อเอา้าโลภะในอดีตที่มันหมดไปแล้วอะ่ะมันเป็นอุปนิสัยให้โลภะตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะโดยความเป็นอุปนิสยัยอ่ะโลภะอันนี้เป็นอุปนิสัยให้ หรือว่าโลภะก่อนๆเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้โลภะตัวนี้เกิดขึ้นคิดดูว่าโลภะนี้เป็นสังขตธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าสังขตธรรม <c oughs> และธรรมะอีกอย่างหนึ่งคืออสังขตธรรมอสังขตธรรมคือไม่ต้องมีปัจจัยเหล่านี้ปรุงแต่งเลยสิ่งนั้นคือนิพพานนิพพานแต่ก่อนที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยไปยังไง ต้องทําที่สุดแห่งสังคตะธรรมเหล่านี้ต้องต้องรู้จักสังคตะธรรมเหล่านี้เป็นอย่างดีปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัดเพื่อไม่ถือมั่นในสังคตะธรรมเหล่านี้นั่นแหละจึงจะถึงอะสังคตะธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักอันนี้เลยถึงเราปรารถนาอมะตะคือความไม่ตายหรือ น, นิพพานก็ไม่มีทางถึงถ้าไม่รู้จักสังคตะธรรม และอีกอย่างหนึ่งความรู้ในเรื่องสังคตาธรรมนั้นเป็นลักษณะของพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นไม่ได้กล่าวว่าทุกอย่างศูนย์แต่ก็ไม่ได้กล่าวว่าทุกอย่างเที่ยงแต่กล่าวว่าเพราะมีสิงาาาาส่งนี้เอไม่ใช่เ อ, หหอาใหม่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเหนึ่งตัวอย่างไหมเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีอ่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี ในลักษณะนี้อีทางสติอีทางโหติเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะที่จริงในนี้นะมีโมหะอยู่ด้วยนะเจตนามีเพราะโมหะเป็นปัจจัยแต่ถ้าชื่อเต็มยศเขาบอกว่าสังขารมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนะอวิชชาตัวนี้เนี่ยฐานะเป็นปัใจจัยให้แก่ สังขารคือเจตนากรรมถ้าหากว่าโมหะไม่มีเจตนาจะไม่มีผลจะไม่มีผลต่อไปแต่เพราะมีโมหะนั่นแหละปฏิสนธิจิตของพวกเราทั้งหลายที่มีอยู่ตรงนี้จึงมีขึ้นดังนั้นถ้าเราเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัใจจัยในลักษณะนี้มากๆขึ้นเราจะมองชีวิตเป็นเรื่องของเหตุผลและเหตุปัจจัยแต่อย่าลืมว่าถ้าใช้คําว่า เหตุอย่างหนึ่งนะต้องตัดเหตุกับปัจจัยตรงนี้ไม่เหมือนกันเหตุตรงนี้กับปัจจัยตรงนี้ไม่เหมือนกันเหตุได้แก่โลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะโอโมหะหรือปัญญาตัวเน้นเป็นเหตุแต่ถ้าปัจจัยนี้แปลว่าช่วยอุปการะสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะ ช่วยอุปธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนลักษณะนี้เรียกว่าปัจจัยเหตุอันนี้เนี่ยเป็นทั้งเหตุด้วยเป็นทั้งปัจจัยด้วยเขาจึงเรียกว่าเหตุตัปัจจัยครับขอบพระคุณครับเมื่อวันนี้ท่านอาจารย์ได้ทิบาทจะทิปายคําเดียวอะเรื่องสังคตธรรมอะทาอาจารย์ไปไกลเลยแล้วตรงนี้ มันเป็นนามธรรมนะครับท่านอาจารย์ก็อธิบายให้เห็นว่ามันเป็นสังคตธรรมแม้แต่รูปธรรมมันเป็นสังคตธรรมยังไงครับแม้แต่รูปธรรมนะเช่นรูปารมณ์เนี่ยนะรูปารมณ์นี้คือสีเอายกตัวอย่างในคนหนึ่งคนเนี่ยในคนหนึ่งคนเนี่ยนะทำไมพวกเราทั้งหลายหน้าตาไม่เหมือนกันสักคนเลยอันนี้เราสามารถถ้าตามคำสอนเรากล่าเลยหน่งกรรมที่แตกต่างกัน เพราะคำที่ไอรมที่แตกต่างกันนั่นแหละทําให้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีผิวพันธ์แตกต่างกันบางคนมีผิวพันธุ์ดีบางคนมีผิวพันธุ์ประณฐ์บางคนมีผิวพันธุ์หยาบบางคนมีผิวพันธุ์ละเอียดเพราะกรรมอีกนั่นแหละในคนที่ผิวพันธุ์คล้ายๆกันบางคนฐานะดีบางคนฐานะไม่ดีแล้วฐานะก็เคียงกันเองนั่นแหละบางคนฉลาดบางคนไม่ฉลาดเพราส่วนหนึ่งมาจากกรรม ทีนี้สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือจิตตัวนี้เนี่ยนะในจิตทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังเป็นปัจจัยให้แก่สีเหล่านี้ด้วยใช่ไหมสีหน้าของคนเป็นโลภาษอย่างหนึ่งสีหน้าของคนเป็นโทสะอย่างหนึ่งเพราะจิตอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสีด้วยสีหน้าท่าทางแววตาทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากจิตแล้วในสีเหล่านี้นะทําไม น้าหนักแตกต่างกันเยอะทำไมอ้วนพร้อมแตกต่างกันส่วนหนึ่งมาจากอาหารเอาเอาหลักสูตรง่ายๆก่อนนะให้มันคุ้นก่อนอาหารทําให้อ้วนพร้อมแตกต่างกันและอาหารแตกต่างกันและอีกอย่างหนึ่งนะอุตอด้วยยอมก็แสลว่ามาอยู่ที่นี่ท่าน ดูดูขาวขึ้นนะ่นะคิดผิดหรือเปล่ามนนะุ๊ก็ไม่ได้ขาวขึ้นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นสีเนี่ยเรื่องอุตุด้วยนะอุณภูมิเนี่ยก็เป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อสีด้วยอาถ้าแดดร้อนๆเนี่ยโยมจะทำสีหน้าอ น, นี้ไหมไม่ยิ้มอย่างนี้ได้ง่ายๆหรอกจะไหมทันหนาวเกินไปก็โอ้โหสีปากก็สั่นเลยอะ่ะเพราะอุตุก็เป็นอุปกรณที่สคาคัญต่อสีมาก สีเป็นสังคะธรรมเพราะถูกปัจจัยเหล่านี้ปรุงแต่งแม้แต่ปัจจัยเหล่านี้ปรุงแต่งเนี่ยนะมีชื่ออยู่ในนี้ด้วยนะแต่เรายังไม่กล่าวว่าชื่ออยู่ในนี้คืออะไรเช่นจิตเป็นปัจจัยแก่สีเนี่ยด้วยปัจจัยอะไรบ้างจิตเป็นปัจจัยแก่สีนี้พูดแบบรวมพูดแบบกำปั้นทุบดินไปก่อนแยกเอ ก, เอก จิตเป็นปัจจัยแก่สีโดยอินทรียะปัจจัยนามอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่เจตสิกที่ประกอบและจิตแต่รุปแม้แต่จิตเหล่านี้เนี่ยยกจิตเป็นประธานเจตสิกด้วยเจตสิกด้วยที่จริงจิตเจตสิกเหล่านี้เกิดทั้งหมดเป็นปัจจัยแก่สีหน้าเหล่านี้ด้วยนั่นแหละแต่ว่ายกจิตเป็นประธานซึ่งละเอียดละเอียดในจิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประกอบ จิตชนิดใดบ้างเจตสิกใดบ้างเราค่อยๆแจกแจงกันต่อไปแต่ให้รู้ว่าในจิตเองเนี่ยยังมีอะไรอยู่ในจิตตั้งมากมายแม้แต่กรรมเองนะกรรมนี่มาเป็นปัจจัยให้สีเนี่ยต้องเข้าใจกรรมเท่าไหร่นะกรรมสิบสองจิตจิตที่เป็นปัจจัยให้แก่รูปเวน้นเว้นอะไรบ้างที่ไม่ทําจิตเนชร่วทวิ ป, ปัญจากับอรูปวิบาก แ9สิบเก้าอาออกสิบสี่เหลือเท่าไรเจ็ดสิบห้าใช่ไหมใช่ไจิตที่เป็นปัจจัยแก่รูปเนี่ยมีอยู่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าดวงเจตสิกทุกทุกดวงเป็นปัจจัยแก่รูปเว้นเจตสิกที่ประกอบกับอรูปวิบากเว้นแต่เจตสิกที่ประกอบกับทวีปัญจแต่นี้โดยสหาชาติปัจจัยนะ นี่นี่เรากำลังพูดโดยสหาชาตะแต่ถึงยังไงจิตดวง น, นี้ก็ยังเป็นปัจจัยแก่รูปอีกนั่นแหละโดยปัจฉาชาตะครับยอมรับแล้วครับว่านี่มันเป็นสังคัดธรรมครับครับนี่มันต่อครับว่า ทำไมเราจึงต้องมาเรียนปัจจัยประโยชน์อะไรท่านกล่าวค้างต้นเราบอกเพราะสังคตะธรรมทั้งหลายมันเป็นสังคตะธรรมด้วยเป็นอ่ะสังคตะธรรมด้วยแล้วไงต้ต่ออะไรครับความรู้เรื่องสังคตะธรรมอสังตะธรรมเนี่ยในสังคตะธรรมบางอย่างเป็นทุกขสัจสังคตะธรรมบางอย่างเป็นสมุทยัยสัจสังคตะธรรมบางอย่างเป็น มัคคสัตตอสังคตาธรรมเป็นสัจจเดียวคือนิโรธสัตต์ก็คือนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะเจริญโพชฌงได้ไม่สามารถที่จะเจริญธรรมวิจยสามโพชฌงได้ผู้ที่ไม่เจริญโพชฌงแล้วจะทําอริยมรรคให้บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นความรู้ในโพชฌงอย่างเช่นธรรมวิจยะสามโพชฌงนั้น เป็นการวิจัยวิจัยธรรมะเหล่านี้วิจัยสังคตรธรรมวิจัยให้มันเป็นอะไรวิจัยลักษณะความจริงของธรรมะเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยพร้อมทั้งปัจจัยเมื่อรู้ความจริงสิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยปัญญาก็จะเจริญขึ้นปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยนะ ปัญญาที่เริ่มเรียนรู้พวกนี้เขาบอกว่าเหมือนกับแสงเงินแสงทองอ่าแสงเงินแสงทองเนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตของอะไรถ้าเช้าๆมาแสงเงินแสงทองมันโผล่ออกมาเนี่ยเป็นนิมิตของอะไรเป็นนิมิตของอดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นแล้วชั้นใดสำมาทิฏฐ ท, ที่มีความรู้ความเข้าใจเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้เป็นแสงเงินแสงทองของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดทีนี้ ถามาอาริยมรรคประกอบด้วยอ ง, งตต์ปดนี่สําคัญยังไงก็บอกว่ายิ่งใหญ่กว่าเอกราชของพระราชายิ่งใหญ่กว่าทิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเราตรัสรู้สังคตาธรรมเหล่านี้นะก็บอกว่ากองทุกขของปุถุชนเนี่ยเปรียบเหมือนขุนเขาสินเนรุผู้เที่ตรัสรู้สังคตธรรมและอาสังคตธรรมกองทุกขของเขาไอเท่าผู้เขาสินเนรุเหลือเท่าเมล็ดพันธุ์ประกศเจดเม็ดบอกอั น, นิี้สงที่สุด อันนี้นี่แค่อันนี้สองชั้นต้นนะถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยผู้ที่ตรัสรู้สังฆตาธรรมและอสังฆตาธรรมเป็นครั้งแรกเอาแบบรู้แบบสุดๆเลยนะเป็นพระโสดาบันนี่จะตรัสรู้ครั้งแรกถ้าเป็นพระโสดาบันอบายภูมิสี่ไม่ไปบอกปิดนรกคาถาปิดนรกคืออะไรอไรอยิยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยปิดนรกตลอดการปิดเดรัจฉานด้วยปิดอบายภูมิหมดมาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจดชาติ ไม่เกินเจ็ดผลว่างั้นอยู่ในท้องแม่อีกไม่เกินเจ็ดครั้งแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุอริยสัจนะเกิดจนหัวมันล้านก็ยังไม่พ้นหรอกนั่นแหละคลอดแล้วคลอดอีกคลอดแล้วคลอดอีกกั น, นะหมก็บอกว่าคันมารดาเหมือนกับรังเหมือนหรือยอย่างนั้นก็ไม่ใช่ขออภัยคันของมารดาเหมือนกับกระท่อมว่างันซึ่งยังไงก็ไม่พ้นแต่ถ้าถามว่า ผู้ที่จะศึกษาคำสอนในเรื่องราวเหล่านี้ได้คนเหล่านั้นต้องเห็นโทษเห็นภัยในวัตตะพอสมควรเพราะว่าธรรมะในหมวดนี้เป็นธรรมะประเภทเป็นไปเพื่อวิวัตะหรืออีกย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเราศึกษาคำสอนส่วนนี้เข้าใจจะทำให้หนักแน่นในกรรมสัสกตายิ่งขึ้นนั่นแหละแล้วก็กรรมสัสกาปัญญาที่เจริญมากขึ้นนะเป็นปัจจัยให้วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้น ัการศึกษาพระธรรมคําสอนในเรื่องของปัจจัยนะอาศัยการขีดการเขียนแบบนี้เพราะในตรงตาเรามันเขียนไม่ได้อ่ะตรงโลผ้าจิตเราก็ขีดไม่ได้ใช่ไหมขีดดูไม่ได้อั น, นี่ยโลผ้าอันนี้เป็นขีดไปหาอันนั้นอันนั้นไม่ได้ก็ต้องอาศัยกระดานขึ้นมาเขียนแล้วก็เพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของสภาพจิตใจของเรามากขึ้นเนี่ยการเรียนปัจจัยเนี่ยนะครับ ทำให้เรารู้ว่าไอเหตุไอปัจจัยตัวไหนมันมันมั น, ม, นมันดีไม่ดีมีคุณมีโทษมีกล่าวไว้มืองไหมครับแล้วมันเกิดผลดีผลไม่ดีที่ตามมาจากปัจจัยเหล่านั้นเนี่ย ม, มันมันมีรายละเอียดยังไงกล่าวไว้เปล่ามั้มีจทะพะอย่างเช่นโลภะเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงโลภะในความเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปของชีวิตเช่นว่าคนโลภเนี่ยนะย่อมไม่รู้อัด คนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภครอบงํขาขณะนั้นความมืดก็จะเข้ามาเพราะนั้นไอ้ตัวโลภะเนี่ยมันเกิดขึ้นในฐานะปกปิดชีวิตและก็โลภะอันนี้เนี่ยปกปิดหรืออย่างหนึ่งบอกว่าโลภะเนี่ยเป็นเหมือนกับตันหาพาให้สัตว์ท่องเที่ยวไปในวะะัฏะนี่นี่เราพูดถึงโลภะมูลจิตเพะนั้นโลภะเจตสิกตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเพื่อนที่คอยกระซิบ ชีวิตของเราเนี่ยถขาบอกว่าโลกเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือโลภะโลภะเป็นผู้ที่กระชักชวนกระตุ้นเตือนแนะนำก็คือทำตามโลภะหมดนั่นแหละนั้นโลภะนี่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้งชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวด้วยนั้นชีวิตชาติหน้าของเรานะส่วนหนึ่งอยู่ที่โลภะโลภะมันพาให้เราฝ่ายพใดละ่ะ บางคนตอนนั่งฟังทำอยู่เนี่ยก็ซิปแล้วหลังจากนี้จะไปไหนจะจบก่อนเวลาเลยเหรอให้จบก่อนนะแล้วมีใครกระซิบมัม้ยมีไหมไม่เขาไม่บอกแล้วไม่บอกเนีไม่บอกจะอย่างนี้บอกกันไม่ได้พูดตอนนี้จะ เ, เรื่องเรื่องกระซิบแล้วใช่ทาไมพูดก็ไม่คิดจะกระซิบอ่ะเนาะเพรา ะ, ะการเรียนเรื่องปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะ ผู้ที่จะเจริญวิปัสนาอย่างในน้อยต้องเข้าใจเรื่องปัจจัยปัจจัยหลักๆในการเจริญวิปัสนาเลยนะยกตัวอย่างเช่นปัจจัยหลักๆของการเจริญวิปัสนาคนที่รู้เรื่องบอกว่าฉันจะเจริญสติปัฏฐานฉันจะเจริญวิปัสนาโดยที่ไม่รู้ปัจจัยเลยถามว่าเป็นไปได้ไหมอ่า ถ้าเป็นไปได้โดยที่ไม่ต้องรู้เลยเนี่ยแม่ก็แสดงว่ามีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องรู้และปฏิบัติได้แสดงว่าข้อปฏิบัตินั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเป็นแน่แต่ว่าถ้าเป็นของพุทธเจ้าขึ้นต้นด้วยความเข้าใจนะขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเห็นความจริงไอ้สัมมาทิฏฐิอันนั้นแหละเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาที่จะเห็นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมเพื่อที่จะแยกให้เห็นว่า ในนี่นะถ้าพูดธรรมะแบบโยโยๆสังคตาธรรมทั้งหมดนะแบ่งออกเป็นรูปกับเป็นนามถ้าจะแบ่งให้มันเยอะขึ้นกว่านั้นอีกหน่อยเรียกแบ่งเป็นขันห้าชอบเยอะกันนั้นอีกไหมอีกเ ร, รียกอยัยตนะสิบสองชอบมากกันนั้นอีกไหมเรียกอินทรียี่สิบสองนั่นแหละถ้าชอบมากกันนั้นอี่ก็ชาติทุกชราทุกพยาทีทุกทุกขะทุกโอทุกร้อยแ ก็คือพวกนี้นั่นแหละแล้วแต่การแบ่งสมมติถ้าแบ่งสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นรูปประธรรมแนะนามารมยกตัวอย่างว่าวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของโลภะเป็นกลุ่มของรูปประธรรมถ้าใช้คำว่ารูปแปลว่าอะไรเสื่อมสิ้นสลายไปก็บอกว่าวัตถุใดเป็นที่อาศัยเกิดของโลภะวัตถุนั้นเป็นธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไป เอ้เรานี่เกิดโลภะไหมตอนนี้ไม่ค่อยเกิดนะแต่เราแสดงว่าถ้าวัตถุใดเป็นที่อาศัยเกิดของโลภะวัตถุนั้นเสื่อมสิ้นสลายไปก็คือตะพูดอีกพระสูตรเขาบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ฉะนั้นวัตถุเหล่านี้นะทั้งที่เป็นร่างกายทั้งที่เป็นอารมณ์ อารมณ์นี่ตัวสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยสีเนี่ยนะมองเห็นตัวเองได้ไหมได้ดเรียกว่าสีภายในมองเห็นโยมผูการได้เนอะได้เรียกว่าเป็นภายนอกวัตถุกับอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อการเกิดขึ้นของจิตจิตนี้ถ้าไม่มีวัตถุไม่มีที่อาศัยเกิดเกิดไม่ได้เลยนะถ้าพวกเราอะ่ะไม่เอารูปประพมนะเพราะท่านห่างเรามากหลายโสดมากเอาแบบพวกเราอะ่ะถ้าจิตไม่มีอารมณ์ เกิดไม่ได้นะสมมติถ้าอยู่อย่างนี้นะถ้าไม่มีใครด่ารับรองไม่โกรธง่ายๆหรอกอะไรเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยอารมณ์กับวัตถุถือว่าเป็นสาธารณะปัจจัยของนามเกือบทุกชนิดแม้แต่ในอรู ป, ปรภูมิอ่ะยังต้องมีอารมณ์จิตต้องรู้อารมณ์จิตจึงจะเกิดขึ้นได้จิตเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอารมณ์ไม่ได้เจตสิกก็เหมือนกันถ้าไม่มีจิตเจตสิกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้น วัตถุวิญญาณอารมณ์สัมปะยุตรธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องจะต้องรู้จริจรงๆเป็นพื้นฐานของความรู้ทีนี้ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะสาวไปหากรรมสักตาต่อไปว่าเจตนาตัวนี้เนี่ยเจตถามว่าโลภะบาปไหมบาปไหมโอ้โลภะก็ไม่บาปเนาะอะไรบาปบ้างอันนี้ โลผ้าบาปหรือไม่บาปอาคุศลกับบาปต่างกันไหมต่างโดยเนื้อหาเนื้อความแล้วไม่ต่างกันหรอกท่านโลผ้ากับอาคุลมันก็บาปเหมือนกันมันก็เป็นอาคุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตัวที่มันให้ผลเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยคือตัวเจตนาให้วิบากต่อไป แต่ไอโลพา่นี่มันก็ก่อพิษโดยความเป็นอุปนิสัยต่อไปถ้าไม่มีตัวนี้นะตัวนี้ไม่ให้ผลพระรหันต์นี่ไม่มีโลพะ่พระรหันต์จึงไม่เกิดเด็กไม่มีวิบากและกรรมชรูปต่อไปอีกแต่เพราะโลพานี่แหละเป็นเหมือนเขาบอกว่าโลพาเป็นเหมือนแม่แม่แมไอเจตนานี่เป็นเหมือนพ่อ อาหารที่มาลอเลี้ยงพวกเรานี่เหมือนกับพี่เลี้ยงนั่นแหละมีศัตรูไหมศัตรูบางศัตรูเรามองเห็นไหมศัตรูคือโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นศัตรูอย่างหนึ่งแล้วมีอีกไหมความแก่ชาราก็เป็นศัตรูอย่างหนึ่งถึงหลายท่านอาจจะลืมว่าแก่แต่ความแก่ไม่เคยลืมมันความแก่มันเป็นศัตรูอย่างหนึ่ ง, งที่คอย เลมคอยกัดคอยกินอยู่ตลอดเวลาและอีกศัตรูอีกชนิดหนึ่งนะถึงเราจะลืมก็ช่างเขาจะไม่ลืมเราเด็ดขาดเขารอเราอยู่ศัตรูสุดท้ายคือความตายเพราะฉะนั้นศัตรูนั้นเล่นงานเราแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่มีโลภะเนี่ยพวกนี้จะเอเจตนานี้ให้ผลนําเกิดไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นเหมือนกับมารดาทั้นสัตว์ทั้งหลายมีตัณหาเป็นเหมือนมารดาพาเที่ยวในวัฏสงสาร หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องปัจจัยนะถ้ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยของชีวิตเป็นอย่างดีก็สามารถที่จะถ่ายถอนตันหาได้นั่นแหละถ้ารู้ดีจริงๆนะเขบอกว่าเมื่อรู้ก็บอกว่าเมื่อรู้จริงก็จะเบื่อหน่ายเมื่อรู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้จะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนับเมื่อคลายกำหนักก็ หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบแล้วก็ไม่ถือมั่นแต่ต้องเป็นความรู้จริงๆนะพระองค์บอกว่ารู้แค่ไหนก็บอกว่ารู้เหมือนกับอชอบอมาอย่างศรัทธาที่ตาปรยาสูตรเลยบอกว่ารู้จนเหมือนกับว่าโลภะหรือว่าตาเหมือนไฟไหมสีเหมือนไฟไหมจิตเห็นเป็นไฟไหมภาษาเวทนาก็เป็นเหมือนกับไฟไหมหูเหมือนไฟไหมเสียงก็เหมือนไฟไหมจิตเห็นอจิตได้ยินเสียงก็เหมือนกับไฟไหม จมูกก็เหมือนกับไฟไหม้กลิ่นก็เหมือนกับไฟไหม้ลิ้นก็เหมือนกับไฟไหม้รถก็เหมือนกับไฟไหม้แล้วก็กายก็เหมือนกับไฟไหม้โพธาพะก็เหมือนกับไฟไหม้ใจยังถูกไฟไหม้แม้แต่ธรรมารมก็ถูกไฟไหม้ไฟคืออะไรราคคินาโทสกคินาโมหคินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะและยังไม่พอนะสิ่งเหล่านี้ไฟคือชาติความเกิดไฟคือชราความแก่ ไฟคือมรณะความตายไฟคือโศกะเคยร้องไห้ไหมนั่นแหละโศกะไฟคือปริเทวะเคยขํามควรไหมนั่นแหละรับขํามควรร่ําพันพิราบและก็ทําให้เกิดอุปายาตความคับแค้นใจแล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละทําให้ต้องพลัดพลาดจากของรักอาศัยสิ่งเหล่านี้นั่นแหละทําให้ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักและก็ความไม่สมหวังนาน า, นาชนิดแล้วมันไม่ใช่อยู่เฉพาะเรานะ คนอื่นในโลกนี้ก็จะเป็นเหมือนกันหมดเทวดาก็เป็นอย่างนี้พรหมก็เป็นอย่างนี้ทุกภพภูมิก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพั้นถ้าเห็นโทษในลักษณะนี้แล้วจึงดับความถือมั่นได้แต่ถ้าไม่รู้อะไรสักอย่างนี่มันก็ดับอะไรไม่ได้หรอกมันดับไปที่ดีๆหมดอ่ะเหลือแต่ที่ไม่ดีไว้สมบูรณ์แบบถ้าอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพรา ะ, ะการเจริญเรื่องปัจจัยเนี่ยนะ เป็นภูมิของปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันรเรียกว่ายาตะปริญญาเป็นปริญญาชั้นต้นด้วยนะเป็นปริญญาชั้นต้นต้นในพระพุทธศาสนาและเป็นธรรมะวิจัยชั้นต้นต้นใน พ, พุทธศาสนาการวิจัยเรียนรู้เรื่องปัจจัยเหล่านี้เพื่อเพื่อรู้ความเกิดและความดับถ้าเราไม่รู้เรื่องปัจจัยนะจะรู้เรื่องเกิดดับไม่ใช่ฐานะเช่นเหตุ กี่อย่างให้เกิดโลภะปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโลภะอ่ะมาดูปัจจัยให้เกิดโลภะดีกว่าถ้าหากว่าคนที่จะเรียนรู้เรื่องเกิดดับนะไม่ต้องลบก็ได้นะไม่ต้องลบใช้ได้โอ้ได้อีกหลายเรื่องเลยแบบฟอร์มเก่าเป็นภาพประกอบการบรรยายได้อเยอะอ่นนะทําไมโลภะจงเกิดอ่าทาไมโลภะจะเกิด ก็บอกว่าสุภานิมิตอารมณ์เนี่ยนะเรียกว่าอารมณ์อีกชื่อหนึ่งครื่องนิมิตสุภาพแปล ว, ว่างามสุภาพนิมิตมีอยู่อ่าคาราว่าอารมณ์ที่น่าชอบใจที่น่าปรารถนามีอยู่การคิดในเรื่องนั้นๆมากๆนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นของโลภะที่ยังไม่เกิดนะถ้าอยากให้โลภะเกิดไม่ยากนะเราไปคิดเรื่องอะไรที่เราชอบเดี๋ยวพักเดียวแค่นั้นแหละใช่ไหมเห็นเคยๆคใคร ถ้าอยู่กับเด็กเนาะโหแม่ตีเนี่ยโห้โหร้องให้ใหญ่เลยเสร็จแล้วแม่เนี่ยรู้ใจใัไ่ไมก็ไปหาของที่เด็กชอบอะ่ะโหได้กล้วยอันเดียวแค่นั้นเนี่ยเลิกร้องให้เลยบางคนนี่ได้ขนมชิ้นเดียวเลิกร้องให้เลยใช่ไหมเพราะเด็กไปใส่ใจในสุภาพนิมิตสิ่งที่เขาชอบปับ๊บที่ร้องให้เนี่ยไม่ร้องให้แล้วชอบใหญ่เลยหัวเราะแฮะแหหัวเราะทั้งน้ำตาท่านแหละหนึ่งนะการใส่ใจให้มากซึ่ง สุภนิมิตนี้เป็นเหตุให้เกิดโลภะที่มาใส่ใจอย่างนี้หนึ่งนะเพราะอุปนิสัยของเราเพราะความไม่เยบคายของสภาพจิตน่ะต้องการหน้าพอใจหรือมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของงามเป็นของดีนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เจริญอ่ะขออภัยนะเหตุให้เกิดเนี่ยนะเพราะอันนี้แท้ๆเลยโลภะจึงมี นี่คือความเกิดของโลภะถ้าความดับของโลภะเนี่ยเราภาจะดับดับเพราะอะไรโลภะจะไม่เกิดหรือจะดับดับโดยหนึ่งโดยตทางฆาตปะหารสองดับโดยวิขำพนะปะหารถ้าจะดับโลภะโดยวิขำพนะปะหารเนี่ยเป็นอย่างไรก็การเจริญอสุภานิมิตให้มากๆแล้วโลภะมันก็ไม่เกิด าการเจริญอสุพานิมิตเจริญยังไงก็เช่นการเจริญอาการสามสิบสองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนะเอาสรุปแล้วก็หมดกายนั่นแหละการใส่ใจในลักษณะผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยนะโดยละเอียดละเอียดจริงๆแล้วนี่ก็จะละสุพานิมิตได้คือพอสุพานิมิตไม่เกิดสภาพจิตจะแปลออย่างหนึ่งเลยนะสิ่งเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่การใส่ใจของเรา ถ้าเราใส่ใจอย่างหนึ่งโลภะเกิดถ้าใส่ใจอีกอย่างหนึ่งโทสะเกิดถ้าใส่ใจอีกอย่างหนึ่งโมาหะเกิดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความแยบคายของความคิดของเรานั่นเองทีนี้ความคิดอันนี้จะแยบคายหรือไม่แยบคายก็อยู่ที่การอ บ, บรมอบรมหรือสะสมมาอาทีนี้ไออบรมหรือสะสมมาที่ไม่ให้เป็นอย่างนี้อ บ, บรมอะไรมาอบรมสรรมถอบรม วิปัสสนามามากๆ Omar. ถ้าอบรมอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่เกิดทั้งการใส่ใจหรือการอบรมที่เป็นโยนิโสมนาสิการมากๆอันนี้มากๆนะอันนี้จะไม่เกิดทีนี้ถ้าอันนี้จะไม่เกิดเนี่ยไม่เกิดที่ไหนเลยสุดยอดของอันนี้ไม่เกิดเลยโลภะไม่เกิดไม่เกิดที่ไหนที่สุดยอดที่สุดภรถารเนี่ยโลภะไม่เกิดส่วนผู้ที่ส่วนผู้อื่นนะก็ยังมีโลภะอยู่นั้นภาถารเท่านั้นแหละจึงจะละโลภะได้เป็น สมุเแม้แต่เรื่องความเกิดความดับของโลภะเนี่ยในอุทย พ, พย า, ยานหรือในอโทษชงหรือในนิวร บ, บพะเนี่ยพูดถึงว่าเหตุเกิดของโลภะับความดับของโลภะนะที่ว่าพิจารณาเห็นทมในธรรมโดยความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างท่านไม่ได้เอาอุปาทถีติของโลภะมาทีบาย แต่ท่านเอาว่าการคิดแบบไหนโลภะจึงเกิดนั่นคือเหตุเกิดของโลภะถ้าใส่ใจแบบไหนโลภะไม่เกิดนั่นคือความดับของโลภะท่านเอาแบบธรรมดาเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วใส่ใจในลักษณะนี้มากๆนั่นแหละคือความรู้ความเกิดความดับของโลภะแสดงว่ญญาเราถ้าจะรู้การเกิดการดับของโลภะเราก็ต้องรู้ว่าปัจจัยของของโลภะมันเกิดยังไงมันดับยังไงเจนพ้อคือรู้ถ้ารู้ปัจจัยของเขาอะ โลผ้าเมื่อจะเกิดเกิดเพราะปัจจัยอย่างนี้สมมตินะอะถ้าเราเอาฟืนมาประมาณสักสิบท่อนใส่เชื้อเข้าไปมารวมรวมก็ปิดไฟขึ้นถามว่าจะดับไฟอันนั้นดับยังไงเอางี้นะไฟอันนั้นเนี่ยมันสว่างขึ้นมันติดขึ้นเนี่ยเพราะมีฟืนมาประชุมกันใช่ไหมถ้าเราชักฟืนออกทีละอันทีละอันทีละอันทีละอันเนี่ยไฟจะมีไหมไม่มี ชันใดไฟที่มันสว่างหรือมันติดขึ้นเพราะปัจจัยโลภะเหล่านี้ที่มันติดขึ้นเพราะปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยโลภะก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเกิดเพราะปัจจัยเกิดเสื่อมเพราะปัจจัยเสื่อมตรงเลยมันกระทบกระเทือน เ, อเรื่องโลภะนี่บางทีพูดมากตรงๆมันกระทบกระเทือนอะ่ะก็คืออย่างเช่นนะ สมมติถนาะพวกเราทั้งหลายเนี่ยสมมติถ้าไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่ง <ST. _ NOUNCER> เห็นของที่เราหน่าชอบใจเลยไปเห็นเห็นอะไรดียมชอบใจอะไรมากที่สุดนั่นอันนั่นแหละเสื้อทำงามันไม่ยิงเยอะใช่เห็นเสื้อสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยที่ที่เราชอบใจมากเลยนะทำไมโลภะจึงเกิดเพราะอโยนิโสมนสิการะใส่ใจในความงามของเสื้อนั่นแหละ เพราะอะโยนิโสภายในที่เราสั่งสมมาหนึ่งเพราะความงามของเสื้อแล้วเราใส่ใจในความงามปับ๊บโลภะก็เกิดแล้เรียกว่าคิดไม่ฉลาดไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดคิดเช่นปะนั่นแหละโลภะเกิดแล้วนั่นคือเหตุเกิดของโลภะสรุปแล้วก็คืออาศัยหนึ่งนะสุพานิมิตอารมมณปัจจัยสองอยโยนิโสมรติการะอุปนิสัยปัจจัย สองอย่างเนี่ยพอละปัจจัยที่เหลือก็เท่ากับมาด้วยเมื่อไดอารามานะปัจจัยกับอุปนิสัยปัจจัยปั๊บโลภะเกิดแต่ถ้าเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาอีกอุปนิสัยเกิดขึ้นถึงเสื้อจะสวยขนาดไหนก็ตามถ้าอบรมสมถะและวิปัสสนาจะเห็นเสื้อตามที่เสื้อเป็นเสื้อเป็นยังไงก็เห็นเป็นเสือ้อไม่ได้ใส่ใจในความงาม เสื้อเป็นสีชนิดหนึ่งเป็นก็คือถ้าเอามาแยกก็คือกลุ่มได้ที่เอามาต่อๆมาสารสารกันมีการตัดต่อตัดต่อแค่นั้นเองใช่ไหมถ้าเสื้ออันนี้ถ้าไปเปื้อนอะไรสักอย่างหนึ่งมีความงามอยู่ไหมไม่มีใช่ไหมถ้ายิ่งเสื้อตัวนั้นนะถ้าเอามาใส่แล้วเกิดไอ็งามที่สุดไม่เคยซักเลยนะใส่สักกี่วันดีสองอาทิตย์ก็พอเนาะโอ้ขนาดนั้นเลยเหร อ, อสองอาทิตย์เนี่ยเดินใกล้ใครไม่ได้แล้ว อันที่จริงนะครับโลภะหรือว่าความติดข้องในเสื้อชอบใจในเสื้อที่เกิดขึ้นปัจจุบันเดี๋ยวนี้อนะปัจจัยมันมีกี่ปัจจัยครับคงไม่แค่หนึ่งสองแน่นอนใช่ไหมครับอ๋อมีเป็นร้อยปัจจัยอะมันมีเยอะเลยใช่ไหมครับเดิมตอนมีมีเป็นถ้าพูดบดยพิสดาเนี่ยเป็นร้อยๆอปัจจัยเอาเอาเอาเข้าข้าวเลยก็เข้าวๆก็คือหนึ่งนะชัดๆก็คือโลภะเหุโลภะก็คือเหตุ ป, ปัจจัย ครับม้าก็ว่ามีเหตุปัจจั ย, ยนั้นคือตัวโลผ้นั่นแหละตัวโลผ้าเป็นเหตุปัจจัยโลผ้เจตสิกนั่นแหละเป็นเหตุตปัจจัยเจ้าาแล้วอะไรครับอ่าแล้วก็ฉันทะเจตสิกที่เกิดร่วม ก, กับโลผ้าอันนั้นเป็นครับอธิปติ ป, ป <estro> ัจจัยครับพช่แล้วก็บรรดาเจตสิกทั้งหลายนั้นน่ะไอตัวฉันทะเนี่ยเขาเด่นมากเลยเขามีกําลังมากเป็นอธิบดีใช่ไหมครับเจ้าพายจึงได้ชอบสีเสื้อตัวนั้นแล้วเสื้อน่าเสื้อตัวนั้นเนี่ยน่ารักน่าปรารถนาเสื้อตัวนั้นก็เเลยป็น อารมณนาที่ปฏิปัจษ์ใจแสดงว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตจึงเป็นอารมณนาปัจจัยเช่ไหมครับแล้วในเสือ้อเราเนี่ยคิดแต่เรื่องเสื้อมากๆจิตก็ซ่องเศษในเรื่องนั้นก็เป็นอาเสวนปัจจัยเป็นอาเสวนปัจจัย ค, คือว่ามายควว่าเราเห็นจนบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็ติดใจเสื้อนี้มาบ่อยๆเรื่องเสื้ออย่างงั้นนะจิตขึ้นสู่วิถีมากๆขึ้นก็เป็นเรื่องของอาเสวนปัจจัยถ้าอาเสวนาเข้ามาปั๊บอนันตระสมนันตระก็เข้ามาด้วยครับที่เราคิดในเรื่องนนั้นั้น อาเซล้วปัจจัยไม่เห็นชัดเลยใช่ไหมครับเวลาเขาไปดูเสื้อดูอยู่นั่นแล้วเดี๋ยวเขาออกมแล้วเขไปดูมาอีกก็ไปถ่ายมาเขาไปดูอีกทีอีกหลายเที่ยวแต่หลายเที่ยวเนี่ยนะไม่อาเสลแล้วมันอุปนิสัยแล้วนะนี่โอ้โหหนักไปแล้วจริงไหมครับทั้งอุปนิสัยด้วยทั้งอาเซลด้วยนั่นแหละเอาหมดเลยนั่นแหละแล้วลองดูอยู่ไฟดับไปเลยนะครับถ้าดูดูอยู่ไฟดับจิตชนิดไหนเกิดโทรศัพท์สิไม่ชอบแล้วแสดงว่าแสงสว่างก็เป็นปัจจัยใช่ไหยแสงสว่างที่สําคัญต่อการเห็นเสื้อ แสงสว่างนั้นก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยมากหรือบางอย่างนะคนขายเนี่ยสำคัญนะโอ้โหเสื้อตัวนี้นะคุณโอ้โหราคา ย, ยังงั้นยงงั้นคนก็กังหิดไงนะมันกล่อมพักเดียวกันนะนะ่ะดูจนงามได้เหมือนกันะเกิดภาษาท่าเนาะกินวิต่มันเอน้อยอ่ะเกิดมองแล้วมันพล่าเ ง, างี้ยนะครับโลผาเกินนะครับอ่าโลภ้าก็อ่อนกำลังหน่อยนะนคือมันเยอะ<า>จริงๆเยะครับแสดงว่ามันแม้แต่ว่าโลผ้ปัจจุบนันชีวิตปจจุบันเนี่ย มันก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยนี่เยอะแยะเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้พูดแบบโลภะแบบนี้นะเขาจะมาจึงคู่จึงคิดเองว่าควรจะศึกษาเป็นกลุ่มจะไม่ค่อยยากนะศึกษาเป็นกลุ่มยังไงกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเกิดพร้อมกันในลักษณะนี้เรียกว่ากลุ่มกลุ่มแรกคือศาสตราชาติเดี๋ยวดึงวิชาที่เรียนเสาที่แล้วมาใช้ด้วยหนึ่งนะ ปรุงจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันอย่างนี้โดยสหาชาตชาติาชาตชาตชาติทีนี้ต่อไปว่าจิตเหล่านี้เนี่ยรู้อะไรสิ่งเหล่านั้นเป็นอารามณชาตินั่นแหละอารามณชาติทีนี้จิตเนี่ยก่อนที่จะมาคิดแสดงว่ามีจิต ก, ก่อนๆความคิดอันนี้จึงเกิดคือไม่ใช่อยู่ๆก็คิดอย่างเดียวโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลย ก็ไม่ใช่ต้องมีจิตดวงก่อนหมดไปแล้วจึงเกิดความคิดใหม่ขึ้นในขณะนี้ความคิดที่หมดไปแล้วครั้งก่อนก่อนเป็นกลุ่มอนันตระชาติอนันตระชาตินี้กลุ่มไป่กลุ่มนี้เท่าไหรล่ละดูนิ้วก็รู้แล้วเนาะไปสามชาตินะั่นหนึ่งสาชาติชาติสองอารมามณชาติสามอนันตรชาติ จิตเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุใดจิตนี้ต้องมีวัตถุเกิดใช่ไหมวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเรียกว่าวัตถุปุเรชาติชาติวัตถุปุเรชาตาชาติสี่หละก่อนที่จะมามีความคิดอย่างนี้นะอาศัยอุปนิสัยภายในด้วยความคิดที่เราต้องการเสื้ออยู่แล้วเนี่ยนะไอความคิดอันนั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยสําคัญต่อการเกิดโลธาอันนี้มาก เรียกว่าโดยอุปนิสัยภายภายในและยังไม่พอไปเจอคนขายกล่อมพักใหญ่เลยนะเสื้อนี้ดีนะราคาอย่างนั้นอย่างนั้นถูกไม่แพงช่วงนี้ลดสินค้าที่สุดเลยอันนี้เรียกว่าโดยอุปนิสัยภายนอกอุปนิสัยเหมือนกันภายในภายนอกต่อไปพอเราเห็นเสื้อเนี่ยนะอย่างนี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไหมโหสีหน้าเป็นต้นเนี่ยเปลี่ยนเลยนะ เป็นต้นเนี่ยบางอย่างเป็นปัดชาชาแต่ปัดใจเพราะวาความคิดนั้นๆเนี่ยกระตุ้นต่อต่อการรักษาร่างกายทั้งสี่สมุนฐานเนี่ยให้ดำรงอยู่ได้อ่ามีเรียกว่ากลุ่มปัดชาชาตะปัจัยหรือปัดชาชา ต, ชาต่ชติได้กี่ชาติแล้วได้ห้าชาติแล้วอ่าเหลือต่อไปได้หกแล้ววัตถุนี่นะ วัตถุนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยขาดอาหารได้ไหมพอ ถ, ถ้าโยมขาดสารอาหารไปไม่ถึงร้านเสื้อแ น, น่แน่เพราะฉะนั้นวัตถุอันนี้จะต้องมีอาหารเป็นปัจจัยเรียกว่ารูปอาหารรชาตินะถ้าขาดอาหารเนี่ยไปไม่ถึงแม่ร้านนั้นก็ต้องไปร้านอาหารก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคนตายไปได้ไหม คนตายไปไม่ได้เงี้ยเลยเพราะฉะนั้นรูปชีวิตติณรียรูปชีวิตตินทรียเป็นปัจจัยแก่วัตถุเหล่านี้จึงเป็นรูปชีวิตตินเรยาชาติอันนี้เป็นผลของกรรมใช่ไหมวัตถุเนี่ยก่อนที่มาเป็นโลภะนี่เห็นก่อนใช่ไหมจึงเกิดโลภะถ้าไม่เห็นโลภะจะเกิดขึ้นเพราะจิตเห็นก่อนเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นผลของกรรม ผลของการอันนั้นเรียกว่านาน า, นาขาดขกะกรร ม, มาชาติจบหรื อ, อยังได้เก้าชาติหรื อ, อยังได้แปดเหรอขาดอะไรอ่ะฮะขาดอะไรบ้างไม่ขาดอาครบเลยเนะาะอครบประคบเอามีอะไรสงสัยอีกไหมในแง่นี้ เรียนเก่งนะไม่สงสัยเลยหันมาดูโครงสร้างของปัจจัยที่จริงแล้วปัจจัยหลักๆแล้วมีแค่2 4ปัจจัยเท่านั้นเองแต่ในคำภีเนี่ยท่านท่านแยกมาให้เห็นนะฮะพระบรรณอาจารย์ที่ท่านเรียนมานอนแล้วท่านก็มาแยกแยะให้เราเห็นวา่าเรียกไปตามลักษณะนะถ้าเป็นปัจจัยในลักษณะนี้ชื่อตั้งชื่อว่าเป็นปัจจัยแบบนี้แต่มาจากแตกลูกแตกหลานเช่น อธิปฏิปัจจัยปัจัยที่สามในช่องขวามือเนี่ยนะข้างล่างวาระมันจะมีหนึ่งสองสามสี่นั่นเรียงตามปัจจัย24สบ่ส่วนในเลขที่ซ้ายมือเนี่ยริมสุดเนี่ยเป็นเรียงตามปจัจจห้าสิบสองในหน้าแรกเลยนะหน้าแรกที่แจกไปอย่างเช่นอธิปฏิปจัจใจเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่าง ออารัมมนาทิปฏิปั จ, จัยและก็สหชาตาที่ปฏิป จ, จัยนี่ก็เริ่มการแบ่งตัวขึ้นจากหนึ่งก็มาเป็นสองใช่ไหมส่วนปัจจัยต่อไปอีกอย่างเช่นนิสยะป จ, จัยนิสยะป จ, จัยนี้มีหลายอย่างเช่นสหชาตานิสยะป จ, จัยวัตถุปุเรชาตานิสยะป จ, จัยสหชาติปุเรชาต มิสกะปัจจัยมิสกะก็คือมันตนกันมันผสมกันหรืออุปนิสยปัจจัยเนี่ยนะอุปนิสยาปัจจัยนี่ยังแบ่งออกเป็นสามเลยคืออารัมมณูปนิสยปัจจัยอานันตรูปนิสยปัจจัยและก็ปกตูปนิสยปัจจัยตรงนี้แปลเป็นภาษาไท ย, ไทยว่าจำนั่นแหะยังไม่ต้องเข้าใจอะไรมากเท่าไหร่จําไม่ได้ก่อนนะ ถ้าจํำชื่อไม่ได้เราจะไปคุยกันรู้เรื่องเลย <c oughs> อช่ไหมผมไปคุยกับผมคุยกันเป็นตูเป็นตาเลยเอ๊คุณชื่ออะไรครับ <c oughs> แย่เลยเนะปัจจัยเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าจําชื่อได้ก็จะวิเศษมากเลยแต่จําไม่ได้ทาําไงก็ดูบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็อนนี้ก็เป็นลักษณะแบ่งปัจจัยน ะ, ะในเอกสารที่แจกไปที่นี้เราก็พลิกไปที่หน้าหน้าอะไรเอ่ย เอาหน้าสี่เลยดีกว่าหน้าที่ผ่านผ่านมาก็ไม่ไม่ต่างกันจริงก็เพียงแต่แสดงโดยในลักษณะต่างๆเท่ า, านั้นเองอย่างเช่นในหน้าสี่นะเอาหมึกดำๆนะเลขเจ็ดอะตัวใหญ่ๆหญ่น่อยก็คือชาติของปัจจัยเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยในปัจจัยยี่สิบสี่หรือห้าสิบหรือห้าสิบสองนั้นถ้าแบ่งตามชาติชาติแปลว่ากลม นั่นแหละอย่างเช่นเปิดไปหน้าที่หน้าหกเนี่ยนะจริงๆคล้ายๆกันอ่ะนะเพียงแต่ว่าถ่ า, ายเอกสารมาจากหลายๆแห่งเพื่อประกอบการพิจารณาดูหลายๆแบบเอาอย่างเช่นหน้าหกเนี่ยกล่าวว่าคำว่าชาติมีความหมายหลายอย่างอย่างเช่นความเกิดกาเนิดนิกายพวกหมู่ชนิดตระกูลหรือพบแต่ในที่นี้มุ่งหมายถึงการจําแนกปัจจัยทั้งหลาย ที่มีสภาพลักษณะเหมือนกันและก็เข้ากันได้เป็นพวกเดียวกันเอาประเภทชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันนะเอางี้นะถ้าสมมติถ้าพวกเรานะบอกส่วนใหญ่แล้วอยู่ในจังหวะในอำเภอเมืองเชียงใหม่หมดเลยส่วนใหญ่นะเอาทีนี้ถ้าเราจะแบ่งกันนี่แบ่งกันยังไงเอาตำบลมาแบ่งเนาะเอาคนตำบลบนไหนบนทั้งเผือกมาอยู่รวมกันนะ ตำบลสุเทศไปอยู่รวมกันจําได้รู้จักสองตำบลกันนั่นแหละตำบลอื่นเรียกชื่อเดี๋ยวผิดอายเขาอะไรถ้าแบ่งแบ่งเป็นตำบลตำบลปุ๊บเอชักเรียกชื่อกันไม่ยากนะแบ่งเป็นกลุ่มนั่นแหละเห็ไหมเอาหรือเอาแบ่งอายุก็ได้อายุยี่สิบถึงสามสิบมาอยู่รวมในกลุ่มนี้สามสิบถึงสี่สิบกลุ่มนี้ห้าสิบถึงหกสิบกลุ่มนี้นะหกสิบถึงแปดสิบไว้กลุ่มนี้โอไทยอย่างนี้ปุ๊บ เรียนไม่ยากเลยใช่ไหมพาะแบ่งกลุ่มกันปั๊บเนี่ยคนในวัยขนาดนี้คุยกันไม่ยากเพราะมันใกล้ๆกันถ้าวัยทองก็คุยกันรู้เรื่องง่ายเฮท่านก็นเลยในปัจจัยยี่สิบสี่ก็เหมือนกันปัจจัยยี่สิบยี่สิบสี่หรือห้าสิบสองพอมาแบ่งเข้าเป็นกลุ่มแล้วได้เก้ากลุ่มเอาแบบเก้ากลุ่มนะเอาแบบเก้ากลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่า สหาชาตชาติา ช, าตชาตินั้นมีอยู่ทั้งหมดสิบห้าปัจจัยวันนี้เรามารู้จักกลุ่มของปัจจัยโดยละเอียดขึ้นกว่าวันเสาร์ที่แล้วหน่อยนะอย่างนี้ก็ยังยังเกี่ยวกับเรื่องชื่อแท้กลุ่มพวกกันอยู่มาจัดกลุ่มกันก่อนอในสิบห้าปัจจัยนั้นก็นับตั้งแต่เหตุ hey, ตัวปัจจัยเป็นต้น <Okay. S 1> ที่เกิงอ่านพร้อมกันนี่กว่านะหน้าหกอะหน้าหกอ่านพร้อมกันนี่กว่าจะได้ไม่เหงา หน้าหนะเอ่อเอาอะไรก่อนครับหนึ่งหนึ่งสหาชาตชาติมีสิบห้าปัจจัยได้แก่หนึ่งเหตุปัจจัยสองสหาชาตาธิปฏิปัจจัยสาสาชาติปัจจัยสอัญญามัญญปัจจัยห้าสาชาตานิสัยปัจจัยหสหาชาติกัมมะปัจจัย เจ็ดวิปากาปจัยแปดนามอาหาระปัจจัยเก้าสาชาตินสีอปัจจัยสิบชาณะปัจจัยสิบอมรรคปัจจัยสิบสองสัมปยุตตปัจจัยสิบสามสาชาตวิปยุตตปัจจัยสิบสี่สาชาตัดิปัจจัยสิบห้าสาชาตาวิกตะปัจจัย ชื่อก็ออยากยา ก, ยากอยู่แล้วอเราท้ายๆนี่นะครับชื่ อ, อยากนะโถทะรัก์ซะยากก็จำไม่ยากอนะั้นคว่าสหาชาติแปลว่าเกิดร่วมกันนะเช่นสหาชาติชาติชาเราเคยได้ยินนะพระพุทธเจ้ามีสหชาตะชาติชาติกี่คนหนึ่งสหชาติชาติชาติของพระพุทธเจ้านะหนึ่งพนางปิมพาสองพระอนุลสามตนโพ ต้นพระีมหาโพสี 4. ม้ากันตะกะห้ามา้ามชนะอามาตมีอีกไหมขมรับขมรับอีกหนึ่งสุดท้ายอะไรอ่ากาลุทายีมหาอามาัดโอ้ได้เจ็ดอ้อยังเนี้ยตอบนักธรรมพาดแน่นอนุประวัติสอบได้ได้แน่แ่เลยนักธรรมชั้นตรีถ้าเป็นคลราวาเรียกธรรมศึกษาชั้นตรี แล้วชั้นชั้นได้ชั้นอะไรแล้วครับทำไปได้สักชัน้นยังไงครับสอบไว้นานแล้วต่อไปนะว่าเอกสหาชาตินั้นตรงนั้นอ่ะถ้านบว่าท่านเกิดในวันเวลาเดียวกันเขาจึงเรียกว่าสหาชาติชาติชาติปัจจัยนี้ก็เหมือนกันลักษณะปัจจัยในสหชาติชาติชาติก็คือปัจจัยธรรมเกิดพร้อมกันกับปัจจยุบบันธรรมเอางี้นะ ถเช่นโลภะเจตสิกเนี่ยเกิดขึ้นนะมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ถ้าถ้าจําชื่อเจตสิกนะไม่ยากให้จําเป็นกลุ่มอีกเหมือนกันเจตสิกเนี่ยมี5้าบสก็จริงแต่แบ่งออกเป็นอน ญ, ญัสมนาเจตสิกสิบสามนี่กลุ่มที่1กลุ่มที่สองอคุศลเจตสิกสิบเพราะเราเรียนยอกุศลจิตนะมันจึงไม่เกิน27 13กับ14 เพราะฉะนั้น13ชั้นต้นนี้อัญญสัมานาในโลภะนี่ได้หมดเลยแล้วต่อไปนะในกลุ่มสิบสี่นี้ยังแบ่งออกเป็นโมจตุกะสโลติกะสามถีตุกะสองะไรอีกโทจตุกะสวิจิกิชาไม่จตุกะไม่อะไรกับเขาเลยเหรอ เขบอกว่าจตุกะแปลว่าหมวดสี่หมวดสมมุติว่าอันนี้เรียกโมจตุกะนกเขาบอกว่าในธรรมะหมวดสี่มีโมหะเป็นเบื้องต้นเรียกว่าโมจตุกะโมก็หมายถึงโมหะจตุกาบแปลว่าหมวดสี่เนี่ยทีนี้ในหมวดสี่นะโมจตุกะเนี่ยอกุศลแลจิตทุกดวงต้องมีโมหะอหิริกะอนุตะปะเกี่ยวร่วมหมด นะอกุศลจิตทุกดวงเนี่ยจะต้องมีไอโมหะอิริกะอนต ป, ปะอุทจะสรุปแล้วโลภะเกิดที่ไหนฟุ้งที่นั่นนะทีนี้ต้องไปดูว่าโลภะเนี่ยเกิดขึ้นโลภะชนิดที่พูดเนี่ยโลภะดวงไหนใช่ไหมถ้าโลภะดวงที่หนึ่งมีทิฏฐิประกอบไม่มีมานะได้แล้วสองอันนี้สี่สองอสังคาริก ไม่มีถีนะ่นมิทะเพราะฉะนั้นในดวงที่หนึ่งรวมเด็ดเสร็จแล้วเท่าไหร่เนี่ยสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้าเพราะฉะนั้นในจิตดวงนี้มีเจตสิกประกอบสิบเก้าดวงทั้งจิตจังเกตสิกอะไรเกิดก่อนเกิดหลังญญญเนี่ยแหละสหาชาติ ป, ปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นแหละสหชาติชาติมันเกิดพร้อมกันแบบนี้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันถัดจาเกิดก่อนนะแกที่หลังไม่ได้เกิดพร้อมกันหมด แต่มันเกิดพร้อมกันนะบางอย่างนี่มันทําหน้าที่เป็นเป็นรากเป็นรากไอ้บางตัวนี่มันทําหน้าที่จัดแจงเลยนะจนจ้านน้าดูเลยคือตัวเจตนาเรียกว่าธรรมชาติที่ชักชวนกระตุ้นเตือนให้พวกนี้เกิดอะ่ะเล้วทาหน้าที่ของเขามันมีตัวชีวิตอีกรักษาพวกคุณอย่าตายนะอ่ารักษาอยู่ต่อไปแล้วยังมีผัสสะทําหน้าที่กระทบอีก และมันมีไอตัวที่พิเศษมากเลยน่ารังเกียจนะทำหน้าที่ปิดตาพวกนี้ให้หมดสรุปแล้วคุณต้องโง่ให้หมดนะนั่นแหละเพราะถ้าชั้นเกิดด้วยนะคุณไม่มีทางรู้สัจจะแน่นอนโมหะเขาปกทำหน้าที่ปกปิดเขาก็เต็นเห hey, ตุปัจจัยเหมือนกันโมหะเนี่ยเป็นรากเหมือนกันเป็นมูลรากของความคิดเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเหล่านี้เกิดพร้อมกัน เกิดพร้อมกันในลักษณะนี้เรียกว่าสหชาตปัจจัยสหชาตปัจจัยไม่ได้บอกว่าตัวใดเป็นปัจจัยนะแต่พูดถึงรวมๆ ว, ว่าจิตเจตสิกเหล่านี้เป็นสหชาตปัจจัยเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันแต่มันมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันยังเป็นปัจจัยแก่รูปด้วยนะเพราะว่าในวัตถุนี้มีรูปกี่สมุทาน4สี่สมุฐานคือกรรมจต ปูตูแล้วก็อาหารเจตสิกตัวโลภะมูลจิตเนี่ยนะเป็นปัจจัยต่อจิตตัชรุปเป็นปัจจัยพร้อมกันเลยนะให้จิตตชรุปเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดพร้อมกันแต่ไม่แน่ว่าจะตายพร้อมกันหรือเปล่าเอางี้นะพระพุทธเจ้าปรินิพานตอนอายุแปดสิบพนางพิมพาตอนอายุเจ็ิเท่าไหร่ จ็ดสิบท่าไรเจ็ิบแปดเนาะนางพิมพาเนี่ยดับขันปรินิพานตอนอายุเจ็ดสิบแปดพระชนะเนี่ยหลังพุทธเจ้าปรินิพานเพราะฉนนานานานาะฉนั้นเกิดพร้อมกันแต่ไม่แน่ว่าจะต้องตายพร้อมกันหรือเปล่าสภาวะธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันจิตเจโรสิก์เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่เป็นปจัจจัยเกิจิตตชรูปเกิดพร้อมกันแต่ว่าดับไม่พร้อมกันลักษณะแบบนี้เรียกว่าสหชาติชาติ เอาการเกิดเป็นประมาณไม่เอาการดับเป็นประมาณเพราะฉะนั้นในสหาชาติชาติสิบห้าปัจจัยเหมือนที่ว่าไปแล้วในสิบห้าปัจจัยนั้นจะว่าไปก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มเพื่อสะดวกต่อการจาและก็เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้หมวดธรรมะอื่นๆผมก็ยังเป็นห่วงญาติโยมหลายท่านนะห่วงว่างไง เออก็ญาติโยมบางท่านก็ไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยมีพื้นฐานทางนี้มาก่อนอ่ะอ้นี่แหละพิชาพื้นฐานนี่แหละไม่ปูอันนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ปูเนาะมันใต้พื้นฐานหนึ่งมันยังมีตะม่ออยู่เลยมันมีตะม่อบางคนยังไม่มีเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าท่านจะเขียนจริงๆนะไอ้โลภะโทสะทั้งสองดวก็ยังดีนะว่าเนนั้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะ เออไม่มันมีสาชาติอะไรบ้างเมือนก็ชาหน่อยก็ยังดีเนาะหรือว่าท่านใหม่ออถ้าผมเขียนให้ก็ได้ได้ได้ไดเขียนเลยนี่มันก็เกิดพร้อมกันเหมือนกันนี่ยมีสารชาติเหมือนกันแล้วอะไรครับเป็นก็บอกว่าจิตทุกดวงเวลาเกิดขึ้นนั้นน่ะสมมติถ้าโลภามูลจิตนะเเจนสิกที่เกิดพร้อมกันก็ต้องก็ต้องเกิดพร้อมกันกับจิตนั่นแหละ จิตดวงใดก็ตามในจิตแปดสิบเก้าทั้งหมดจิตทุกดวงกับเจตสิกที่ประกอบนะต้องเกิดพร้อมกันลักษณะนี้เขาเรียกว่าถ้าเราจะแบ่งให้เห็นชัดนะเอาระหวังจิตกับเจตสิกนะจิตเป็นนามจิตก็เป็นนามเจตสิกก็เป็นนามนะทั้งคู่เป็นนามหมดเลย ถ้าจิตเป็นปัจจัยเจตสิกก็เป็นปัจจัยบันถ้าหากว่าเจตสิกเป็นปัจจัยจิตก็เป็นปัจจัยบันฑร์ปัจจัยแปลว่าเหตุปัจจัยบันแปลว่าผลผลกับเหตุถ้าลักษณะนี้แปลว่าเกิดพร้อมกันในจิตหนึ่งดวงใช่ไหม สมมติถ้าอย่างงี้นะเอาแบบเต็มๆหน่อยอันนี้โลภะโมหะถ้าโลภะเป็นปัจจัยนะเกิดพร้อม ก, กันกับทุกดวงเหล่านี้หมดเลยแต่ว่าเข้าในฐานะเป็นปัจจัยแต่เป็นเหตุปัจจัย